นิทานไทยโกดีล็อกกับหมีสามตัวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อหมีแม่หมีและลูกหมีอาศัยอยู่ในบ้านหลังน้อยกลางป่ามีเด็กผู้หญิงนามว่าโกดีล็อกเธออาศัยอยู่กับครอบครัวเช้า ว, วันหนึ่ง ขณะที่โกดีล็อกเล่นเธอหลงเข้าไปในป่าเช้าวันนั้นมีทำข้าวโอ๊ตเป็นอาหารเช้าข้าวโอ๊ตรอนมากพวกเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าข่าวเวลาขณะที่เดินเข้าไปในป่าโกดีล็อกเห็นบ้านที่มีบานประตูใหญ่ เธออยากเข้าไปดูเครื่องไหนมากเธอเดินเข้าไปเคาะประตูสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะไม่มีเสียงตอบรับเธอจึงเดินเข้าไปในบ้านเธอเห็นโต๊ะบนโต๊ะมีชามข้าวโอ๊ตสามชามโกอดีล็อกหิวมาก โอ๊หอมหน่ากินจังขอชิมหน่อยได้ไหมล่ะเธอเริ่มที่ชามแรกและตักชิมอืมอ้าวข้าวโอ๊ตร้อนเกินไปอ่ะลิ้นพองหมดเลยเธอจึงลองชิมชามที่สองโอ้ข้าวโอ๊ตนี้เย็นเกินไปอ เธอจึงลองชิมชามสุดท้ายออร่อยกำลังดีเลยหลังจากรับประทานอาหารเช้าโกดีล็อกก็ง่วงนอน<อ>เธอเดินไปที่ห้องรับแขกเธอเห็นเก้าอี้สามตัวโกดีล็อกนั่งพักบนเก้าอี้ตัวแรก เกเนิเนไปธอจึงนั่งเก้าอี้ตัวที่สองเก้าอี้ตัวนี้ก็ใหญ่เกินไปเธอจึงนั่งบนเก้าอี้ตัวสุดท้ายตัวนี้แหละใช่เลยขณะที่เธอกำลังนั่งเก้าอีอ้อเกิดหักไม่นะกดีล็อกเหนื่อยและล้า ไม่มีที่ให้เธอพักเธอจึงขึ้นไปยังห้องนอนเธอนอนบนเตียงแรกเตียงนี้แข็งเกินไปเธอจึงไปนอนเตียงที่สองอเตียงนี้ก็นิ่มเกินไป แล้วก็ไปนอนเตียงที่สามอมืสบายจังเลยขณะที่เธอกำลังหลับมีสามตัวก็กลับมาถึงบ้านโออมีคนกินข้าวโอทของฉันด้วยพ่อหมีพูดด้วยความโกรธมีคนกินข้าวโอทของฉันเหมือนกันมีคนกินข้าวโอทของหนูด้วยอะ กินหมดถ้วยเลยเออมีคนนั่งเก้าอี้ฉันด้วยมีคนนั่งเก้าอี้ฉันเหมือนกันน่ะมีคนนั่งเก้าอี้หนูด้วยแถมยังทําหักด้วยฮะพวกเขาเดินสํารวจรอบบ้านเมื่อขึ้นไปยังห้องนอนพ่อหมีคําราม มีคนนอนบนเตียงฉันด้วยมีคนนอนบนเตียงฉันเหมือนกันเลยมีคนนอนบนเตียงหนูด้วยอะเธอยังนอนอยู่เลยยังไม่ตื่นเลยลูกหมีพูดด้วยความหวาดกลัวขณะที่หมีเดินเข้าไปหาเธอก็ดีแล้วก็ตื่นขึ้นมาฮะช่วยด้วยเธอลุกวิ่งลงบันไดเปิดประตู และวิ่งหนีไปในป่าและไม่กลับมาอีกเลย